Bạch nèm chứn เป็นคําก่อนอีสานแล้วก็แสเสียง ตอนพระโพธิยันชัยของเฮาเสวยชาติเป็นมหา จังว่าคนก็ได้อยู่ก็ทําตามนั่นของ ขอเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่ ศาลขาถ่านตลอดเกียงสมบูรณ์แบบ Liên nhiên thật văn toàn Bỏ ตอนนี้ขันเข้ามาเก้าตันกระแสเรื่องนั้นข้างก่อนถ้าสะพร้นกันกูกญุกประเดิมดาสอน โอ้ยสิได้ลาปางปางจากสวรรค์ Khòa deng lăn, n'hàp, m'anang, n'o'ng nhai, l'o'ng fay, m'anut l'o'ng, Khòa i xôc l'iing l'o'n, bai fay, sun feng fay, n'hàp. Pienthi l'à, jao phà, s'anuc, gò, quang, Cú sôn, bàm phén, tùn, hãy phà, gò, t'prayot, phùn, ข้าที่ 2 งามเยี่ยมดวงคือดวงตาลูกคุณคุณมัวบัดนางลิงเลี้ยงใครมองให้มิ่งเมื่อยเถิงมากเถิงยากได้โรคแลแล้วเปิดป้อเปย All those things, as I see, มนุษย์ใครซื้อพุทธะเดนี่ เป็นมรรดาของพระพุทธเจ้าพวกเฮาให้ใครควร ขวัญจิตนั้นสองทางสวยสะล้างผลเปรียบงามยามเทียมดังถึงชลากายาย่อนชูสะลอนเติงเต้า ข้อ 8 นั้นเกสารํสาดอันประดุจปีกภูมิ Khó càu năn sẵn khà l'a lột tây khà Qua thiêng chỉ đang càn Trùng bàn đàn cây nắng Ngay khó ngáp nằm phường Thiều khảo lưỡi Muôn nưa ngay xoay ngáp Tạm càu chá cán Cảy ra sầu cài ròn ngay ขอ 10 นั้นขอให้เป็นเอกลักษณ์ได้ปัญญาลึกสมองดีให้ผู้มีเวรขอนั้นผูกพันทั้งหลังขอให้ปัญญาน้องต้องตามได้หูหางเปิดป้องแก้ให้ใครได้ออกปล่อยไปในตอนนั้นองค์นิทราธิราชไทยเลยประสาทพร้อมที่ 10 ประกาศที่นั่งขอสู่สู่แนว โจ๊กข้าท่า 19 ทางโทสะพรตลอดแนวกันนี่ดอกบ่ Sáng kẹt bướng ăn cà lòi, nhám si càu ตายสุคนบ่คงอย่างไผสิยังคําฟ้าอยู่สาทุกผู้ลูกวางบ่มีบ่ดอกบอนตายยิ้มแต่ว่าพอนสิ ไปย่าไปถูกนาลูกทุกทรัพมั่นล้นสาสุด ja tham mong, tham บัดคนต่างก็แม่นแล้วล้างก็จีดอกเผา นรธาตุจะวางไว้มาหลาย Fag khu nyúm thúc thúc thà Né gön án si sâu gòn Khorn jub tòn sâu Pag súa pa deo nón keo noy Tho'y khám gòn Teh peyeng nghỉ ewa kí Ipa thom leang Hima phát năn tòn Năn tòn nà Jang koy fang Năn tòn nà Sahathat